คือคือตรงนี้เวลาเวลาในยุคหลังพอไปแยกแล้วเนี่ยมันามาก็ามาก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้แยกแต่ทีแรกท่านอาจจะเข้าใจประเด็นแต่ที่หลังๆมานี่แหละฉะนั้นกรณีถ้าเราต้องการจะ ก, กล่าวพระธรรมคําสอนเนี่ยเอาตามคําสอนนะ่ะดีที่สุดเพราะถ้าเราไปแยกออกมาแล้วท่านผู้แยกแต่ทีแรกอาจจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอาจจะมีความเข้าใจประเด็นตนเองอยู่ แต่เชื่อไหมว่าขนาดกล่าวถูกๆคนยังสามารถไปทําความเข้าใจให้ผิดได้ถ้าเราแยกออกมาจากหัวข้อหลักไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งยุคหลังๆมาแล้วยุคสุดท้ายปายแถวมาแล้วมันยิ่งจะหลุดกันไปใหญ่ตรงเนี้ผู้ที่บอกกรรมฐานจึงต้อ ง, ต, องต้องมานาสิการนี้ดีเอาอย่างที่พระเจ้าบอกนะก็ก็เกินจะพอแล้วนี่ๆไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาอุบายใดๆที่จะต้องมาเพิ่มเติมศัพท์และพยัญชนะอะไรให้ให้ยุ่งยากโดยสร้าไป และจะเป็นภาระโดยทั้งไปแล้วในที่สุดจริงๆตนเองก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้เมื่อเมื่อความเข้าใจของบุคคลนั้นกําเริบออกจากหลักมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะว่าความผิดที่ตัวเองได้ตั้งกันไว้นะ่ะพะทําพยัญชนะคําสอนนะ่ะให้หลุดออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ประเด็นก็จะเสียหายไปเพราะขนาดว่าเราตั้งอยู่ในหลักอยู่แล้วแต่คนไปเข้าใจประเด็นนั้นผิดอันนั้นชื่อว่าผู้กล่าวนะไม่มีเจนานานเลยนะ เช่นว่าเราไปกล่าวในเรื่องของสติปัฏฐานในหมวดของในด้านของการเจริญพุทธานุสติอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พออยู่ต่อมาอีกคนหนึ่งก็ไปไปไปเข้าใจคําว่าพุทธานุสติก็คือการไปเพ่งเฉยโดยไม่คิดเจรนาถึงคุณเลยเนี้ยไปเพ่งเพื่อจะเป็นนิมิตเอาพุทธเจ้าเอาพุทธรูกมาเป็นนิมิตเพื่อให้จิตเป็นสมาธิอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แปลว่าคนเข้าใจพุทธานุสติในเชิงของเข้าใจในผิดไป แต่ผู้กล่าวไม่ได้กล่าวอย่างนั้นกล่าวถึงคุณแต่ผู้ไปเพ่งกับไปเพ่งเพื่อจะให้ติดเป็นนิมิตเป็นอารมณ์และเหมือนกับจะดิ่งในอารมณ์เดียวแล้วก็ไม่ได้ไปเห็นคุณของพระเจ้าเห็นสรีระคุณเลยแต่อาศัยว่าเป็นเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นเหมือนเพ่งปฐวีกสินอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อันนั้นก็เป็นความผิดพลาดต้องคู่เจริญไม่ใช่ผู้บอกแต่กรณีไปแยกสับออกมาเลยอย่างเี้ยไปแยกวิธีการเจริญออกมาด้วย ยิงอยู่ตนเองเบื้องต้นอาจจะที่บายทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดว่าจะเป็นอุบายวิธียังไงสมมุตินะแต่ในที่สุดจริงๆแล้วตนเองก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะตนเองไม่ใช่พระเจ้าเมื่อไม่ใช่พทะเจ้าหนึ่งไม่เข้าใจด้วยว่าท่านที่เราเราให้เขาอ่ะเขาจะหลุดอะไรอุปนิสัยอย่างไรเขาบํบาเพ็ญบารมีมาเพื่อจะบรรลุวิธีนี้จริงไหมไอ้สำคัญตรงเนี้ยใช่ไหมว่าเขาจะบํบาเพ็ญบารมีมาเนี่ย เขาจเจริญกุศลมาเพื่อจะมาบรรลุวิธีนี้หรือไม่และเป็นเหตุซ้ําเติมเข้าไหมเนื้อทาให้เขาออกนอกทิศนอกทางมากขึ้นไปสร้างเหตุปจัจจัยทําให้เขาหลงทางมากขึ้นหรือไม่ไอ้ตรงนั้นก็ต้องระวังเลยเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นการทําคําสอนตามตามคำสอนพระเจ้าเลยเลยสะดุกเป็นเรื่องปลอดภัยอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะจันลงคําสอนพระเจ้าให้คงอยู่ต่อไปชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ ที่นั่นก็คืออย่าไปคิดเองว่าทํำอย่างนี้แล้วจะทำให้คนปฏิบัติเราง่ายนเป็ น, นปการคิดเองอย่างนี้เพราะความคิดของเราที่สุดจริงๆก็บกพ่องเยอะเพราะเราไม่ใช่พระเจ้านั่นแหละฉะนั้นอย่าไปคิดเองว่าถ้าเราจะย่อคาสอนอย่างนี้หรือเราจะมามามาสรุปหรือว่าจะใช้วิธีแบบนี้แหละมันสะดวกแก่คนยุคนี้การจะใช้สับอย่างนี้แหละง่ายดีนะ เพราะว่าสั์อย่างนี้กลัวคนยุคนี้จะฟังไม่เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยงนั้นแต่เราจะบอกว่าศาพัพบนี้ยสงเคราะห์เข้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเห็นเป็นศัพท์ของเราที่ใช่แต่ว่าจะมายึดโยงกับคําสอนที่แท้จริงยังไงเขาว่าไปตรงนี้ดงนั้นถ้าทําอย่างนี้เสซยก็จะสบายใจ ก, ก, ก็เราก็ไม่ถือว่าเราก็ให้ธรรมะที่ไม่วิปริตด้วยนะ ก็เป็นเหตุแห่งการที่เราจะได้สิ่งที่ไม่วิปลิสจะได้เป็นปัจจัยในการบรรลุสะดวกถ้างั้นตัวเองก็หลงทิศหลงทางไปเรื่อยเลยตรงนี้อันตรายมากเลยผู้กล่าวธรรมก็ต้องระวัง